จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันที่24คุมพาพันธ์พุทธศักราชส5 5 0ตรงกับวันเสาวิกแปดค่ำเดือนสี่เป็นวันพระวันธรรมสสวนะ วันฟังธรรมเป็นวันที่สาธุชนผู้มีความศรัท ธ, ธามีความเริ่มใสพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะ <c oughs> เพราะเป็นที่พึ่งที่จะพาให้เราอยู่เหนือความทุกข์ได้พาให้เราไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ไม่ต้องไปเกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายนี่คือสิ่งที่พระรัตนตรัยที่เรายึดเป็นสระที่พึ่งทางจิตใจสามารถทำให้กับเราได้ที่พึ่งอย่างอื่นที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถพาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ไม่สามารถทำให้เราอยู่เหนือความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความแก่ที่เกิดขึ้นจากความเจ็บที่เกิดขึ้นจากความตายที่เกิดจะขึ้นจากการพัดพรากจากกันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เรามีอยู่ในขณะนี้จะทำให้เรารู้สึกเฉยเฉยไม่วุ่นวายใจไม่เศร้าโศกเสียใจ เวลาที่เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหรือต้องจากคนใดคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งที่เรารักต้องจากเราไปอย่างนี้มีมีพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพัฒนสงทานั้นที่จะช่วยเราได้ที่จะทำให้เราไม่มีความว้าวุ่นขุนมัวไม่มีความเศร้าโศกเสียใจ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนี่คือความวิเศษความประเสริฐของพระพุทธเจ้าเป็นวาสนาของพวกเราที่ได้มาพบกับพระรัตนตรัยนี้เพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมีอยู่ตลอดเวลาเสมอไปการเกิดเป็นมนุษย์บางครั้งบางเวลาเราก็จะไม่ได้พบกับพระรัตนตรยัย ถึงแม้จะมีอยู่ในโลกนี้แต่ถ้าเราไปเกิดในประเทศที่ไม่มีพระธรรมคำสอนเผยแผ่ไปถึงเราก็จะไม่รู้จักเราก็จะไม่ได้พบกับพระรัตนตรยัยบางสมัยบางเวลาพระรัตนตรัยก็ไม่มีปรากฏอยู่ในโลกนี้เลยนานๆทีจึงจะมีพระรัตนตรัยปรากฏให้เป็นที่พึ่ง แก่สัต์โลกได้อย่างของสมัยปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงทำนายไว้ว่าพระรัตนตรัยคือพระพุทธศาสนาจะอยู่กับโลกได้เพียง 5,000 ปีเท่านั้นและนี่ก็ผ่านมาแล้ว 2,550 ปีด้วยกันอีกไม่นานต่อไปพระรัตนตรัยก็จะ หายไปจากโลกนี้แล้วถ้าเรากลับมาเกิดใหม่ในคราวหน้าเราก็อาจจะไม่ได้พบกับพระตาณาทรทยก็ได้เมื่อเราไม่พบเราก็จะไม่มีที่พึ่งทางใจไม่มีที่พึ่งที่จะช่วยกําจัดปัดเป่าความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจต่างๆให้กับเราได้ชีวิตของเราจิตใจของเรา ก็จะมีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความวุ่นวายใจแต่ตอนนี้พวกเราโชคดีเราได้มาพบพระรัตนตรัยเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยให้พระรัตนตรัยนี้หลุดจากมือเราไปเราสามารถสร้างพระรัตนตรัยให้อยู่กับเราอยู่กับจิตใจของเราไปได้ตลอด ถ้าเราสนใจที่จะศึกษาสนใจที่จะนำเอาพระรัตนตรัยมาเข้าสู่จิตใจของเราด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายได้สั่งสอนให้พวกเราปฏิบัติกันเพราะนี่เป็นวิธีเดียวที่จะ ทำให้พระรัตนตรัยอยู่กับเราไปตลอดไม่สูญหายจากจิตจากใจเราถึงแม้เราจะยังไม่บรรลุถึงที่สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถึงแม้เรายังต้องกลับมาเกิดอีกแต่เราจะมีพระรัตนตรัยอยู่ในใจของเราถึงแม้โลกที่เรามาเกิด อาจจะไม่มีพระรัตนตรัยก็ตามแต่เราจะมีพระรัตนตรัยอยู่ในใจของเราเป็นที่พึ่งของเราได้ดีกว่ามีพระรัตนตรัยที่อยู่ในโลกนี้แต่ไม่ได้อยู่ในใจของเราเช่นในขณะนี้พวกเราก็รู้จักพระรัตนตรัยกันรู้ว่ามีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์แต่พระรัตนตรัยที่เรารู้จักนี้ ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในใจของเราถ้ายังไม่ได้เข้ามาอยู่ในใจใจของเราก็ยังจะต้องมีความว้าวุ่นขุ่นมมวมีความเศร้าโศกเสียใจมีความกังวลใจมีความห่วงใยมีความหวาดกลัวนี่คือสิ่งที่จะบ อ, บอกให้พวกเรารู้ว่าเราได้มีพระรัตนัย ขึ้นมาอยู่ในใจของเราหรือยังถ้าเรามีแล้วเราจะไม่วุ่นวายเราจะไม่ทุกข์กับอะไรเราจะสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามไม่ว่าจะมีเหตุการณ์เลวร้ายขนาดไหนก็ตามก็จะไม่ทำให้จิตใจของเราต้องว้าวุ่นขุ่นมัวต้องเศร้าโศกเสียใจ และวิธีที่เราจะทำให้มีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นมาภายในใจของเราได้ก็คือการปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุ ป, ปฏิปันโนด้วยการประพฤติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราทำความดีสอนให้เราละการกระทำบาปสอนให้เรา ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์คือให้กำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจนี่เป็นวิธีที่นำเอาพระรัตนตรัยเข้ามาสู่ภายในใจคือเอาพระพุทธเจ้าเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและเอาพระอริยสงสาวกเป็นตัวอย่าง ท่านดำเนินชีวิตอย่างไรท่านประพฤติอย่างไรท่านปฏิบัติอย่างไรท่านสั่งสอนอย่างเราก็ปฏิบัติตามท่านถ้าเราไม่ปฏิบัติตามท่านถึงแม้เราจะมีพระพุทธรูปอยู่ในบ้านไว้กราบไหว้บูชามีพระไว้ห้อยที่คอเราพระเหล่านี้ก็จะไม่ได้เป็นรตนะไม่ได้เป็นที่พึ่งของใจเรา เพราะพระพุทธรูปนั้นมีไว้เป็นการเตือนสติเป็นการเตือนใจให้เราประพฤติตามพระพุทธเจ้าตามพระอริยสงสาวกแต่ถ้าเรามีพระห้อยคอไว้แล้วเราปฏิบัติสวนทางกับที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเช่นท่านสอนให้เราละอบายามุขต่างๆเช่น ส, น, เาาชนสุรายาเมว เล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรมีความเกียดคร้านสิ่งเหล่านี้ท่านสอนให้เราละให้เราอย่าไปเกี่ยวข้องด้วยแต่ถ้าเรายังไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อยู่เรายังเสพสุรยาเมาอยังเที่ยวกลางคืนยังเล่นการพนันอยู่ถึงแม้เราจะมีพระราคาเป็นล้านห้อยคออยู่ก็ตาม พระนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยเพราะพระนี้ไม่สามารถพระที่เราห้อยขอนี้ไม่สามารถเป็นสรณะของเราได้สรณะที่แท้จริงนั้นต้องเป็นการกระทําความดีการละการกระทําบาปการละเว้นจากอบา ย, บา ย, ยมุขต่างๆการกําจัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆตัางหากที่เป็น สรณะของเราดังนั้นขอให้เราเข้าใจไว้ว่าอันที่เราจะมีสรณะมีที่พึ่งได้เราต้องปฏิบัติเราต้องศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราเอาคำสอนของพระพุทธมาดําเนินในชีวิตประจำวันของเรา <c oughs> เช่นท่านสอนให้เราทำความดีให้มีความกตัญญูกตเวทีให้เรามีความ สำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณตอบแทนบุญคุณท่านเหล่านั้นตามสมควรแก่ฐานะของเราเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้ที่มีพระคุณเราไม่ควรที่จะลืมท่านควรจะรำลึกถึงคุณของท่านอยู่เสมอถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่กับท่านเราก็ควรที่จาบท่านไหว้ท่านเสมอ อย่างน้อยทุกเช้าทุกเย็นเวลาที่เรากราบพระเสร็จแล้วเราก็กราบพ่อกราบแม่เพื่อเราจะได้ราลึกถึงบุญคุณที่ท่านให้กับเราเพราะถ้ามีพระถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่เราก็จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่มาได้จนทุกวันนี้พ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดกับเราเราต้องรำลึกถึงท่านอยู่เสมอ ถ้าเราไม่ลำเลึกแล้ ว, ลวเวลาเราไปทำธุระไปทำอะไรต่างๆเราก็จะลืมท่านไปดีไม่ดีก็เลยอาจจะปล่อยประละเลยไม่ดูแลท่านเพราะมีเรื่องราวต่างๆที่เราต้องมากมายแต่ถ้าเรากราบเราไหวเ ร, เรา ล, ลำเลึกถึงคุณพ่อคุณแม่อยู่ทุกเชา้าทุกเย็น ทำให้เราไม่ลืมแล้วจะทำให้เราคิดถึงท่านอยากจะไปเยี่ยมอยากจะไปดูแลท่าน <Yeah. S 1> นี่คือการกระทำความดีในเบื้องต้นสงสอนให้มีความกตัญญูกตวเวทีแล้วก็ให้มีสัมมาคาระวะให้รู้จักที่สูงที่ต่าให้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ คนเราเกิดมาในโลกนี้มีฐานะไม่เท่าเทียมกันมีคนสูงกว่ามีคนเสมอเท่าเราและมีคนต่ำกว่าเราคนที่สูงกว่าเราก็ต้องให้ความเคารพเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าทางสังคมเราถือว่าท่านเป็นบุคคลที่สูงกว่าเราก็ต้องให้ความเคารพู้จักกราบไหว้ รู้จักทำความเคารพไม่ตไม่ตีตนเสมอท่านต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเจียมเนื้อเจียมตัวแล้วก็สอนให้เรามีความเสียสละคือให้เราคิดถึงผู้อื่นให้คิดถึงความลำบากความทุกข์ของผู้อื่น เวลาเรามีอะไรพอที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้เราก็ไม่ควรที่จะดูดายเพราะการได้ช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเป็นการดีเป็นการสร้างความสุขให้กับใจของเราคนที่มีความเสียสละจะเป็นคนที่ไม่มีความเห็นแก่ตัวคนที่ไม่มีความเห็นแก่ตัวจะเป็นคนที่ใจกว้าง จะมีความสุขนะเพราะว่าเวลามองอะไรก็ไม่ได้คิดแต่จะมองเพื่อตัวเองมองถึงคนอื่นด้วยคิดถึงผู้อื่นด้วยว่าใครจิตมีใจเหมือนเราเขาก็มีความต้องการความสุขเหมือนกับเรานะถ้าเรามีความสุขพอเพียงแล้วแล้วเราแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นก็จะทำให้เรายิ่งมีความสุข มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกท่านสอนให้เรามีความเสียสละให้มีความเมตตาให้เป็นผู้ที่มีไมตรีจิตไม่เป็นคนที่จองเวรจองกรรมให้รู้จักการให้อภัยนี่คือความเมตตาแล้วก็สอนให้เรามีความกรุณาคือสงสาร เวลาที่เราเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากเราควรมีความสงสารและมีความยินดีที่จะช่วยเหลือเขาตามฐานะตามกําลังของเราที่เราจะสามารถกระทาได้นี่เป็นตัวอย่างของการกระทำความดีเราสามารถทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน เมื่อเราได้ทำความดีแล้วใจของเราจะมีความล่มเย็นเป็นสุขจะไม่วุ่นวายใจจะไม่ทุกข์ใจนะแล้วสอนให้เราละเว้นจากการกระทำบาปคือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดปรเวณีไม่พูดปดมดเท็จไม่โกไม่เสพสุรายาเมานะี่นี่เป็นการประพฤติที่จะ ป้องกันไม่ให้เราต้องไปทุกข์ไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆคนที่มีศีลแล้วจะมีจิตใจที่สงบที่จะเย็นสบายแต่คนที่ไม่มีศีลนั้นจิตใจจะวุ่นวายเพราะเวลาไปทําผิดศีลแล้วจะมีความหวาดกลัวที่จะต้องรับใช้โทษที่ตนเองไปกระทํามา เวลาไปพูดปลดมดเท็จหรือไปลักทรัพย์ของผู้อื่นเราจะมีความหวาดกลัวกลัวคนอื่นจะรู้จะตําหนิจะประนามจะไม่คบคาสมาคมกับเราจะเห็นว่าเราเป็นคนเลวเป็นคนไม่ดีไม่มีใครอยากจะเป็นคนเลวอยากจะเป็นคนไม่ดีทั้งนั้นเราทุกคนสามารถที่จะป้องกันตัวของเรา ไม่ให้เป็นคนเลวไม่ให้เป็นคนไม่ดีได้ด้วยการมีศีลมีธรรมเราต้องมีสติเวลาที่เราทำอะไรพูดอะไรเราต้องรู้ว่าเรากำลังพูดหรือทำอยู่ในกรอบของศีลและธรรมหรือไม่ถ้าเราพูดปดเราก็ต้องรู้ว่าขณะนี้เรากาลังพูดปด หรือถ้าก่อนที่เราจะพูดเรามีสติเรารู้ว่าเรากำลังจะพูดปดเราก็อยาไปพูดเสียคิดว่าการพูดปดนี่มันเสียหายมากกว่าสิ่งที่เราพยายามที่จะรักษาไวบางทีเราอยากจะรักษาชื่อเสียงของเราเราก็พูดปดไปแต่แทนที่จะรักษาชื่อเสียงกับทำให้ชื่อเสียงของเรา เสียเพิ่มมากขึ้นไปอีกเช่นเราทาผิดอะไรแทนที่เราจะโกหกบอกว่าไม่ได้ทำเรายอมรับเสียดีกว่าเรารับแล้วเราก็สบายใจคนที่เขารู้เขาก็เห็นใจเขาก็ยกโทษให้กับเราเขาก็จะไม่ประนามเพราะเขารู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดา ที่คนเรามีการครั้งเผลอมีการกระทําที่ผิดพลาดได้คนที่ยอมรับความผิดของตนนั้นถือว่าเป็นคนซื่อตรงเป็นคนฉลาดแต่คนที่พยายามเพื่อที่จะปกปิดความผิดของตนนั้นถือว่าเป็นคนโง่ถือว่าเป็นคนไม่ดีดังนั้นเวลาที่เราจะพูดอะไร ขอให้เรามีสติถึงเมื่อเวลาที่เราจำเป็นจะต้องพูดความจริงถึงแม้มันจะสร้างความเสียหายให้กับเราบ้างแต่ถ้ามันเป็นความจริงก็ยังดีกว่าไปพูดปด mm hmm. เช่นเราทำผิดแล้วเราก็ยอมรับผิดเสียมันก็เท่านั้นเอง <c oughs> ดีกว่าที่ไปปกปิดเราปกปิดแล้วจิตใจเราก็ยังมีความไม่สบายใจ ยังมีความกังวลกลัวว่าจะมีกลัวว่าจะถูกจับได้ถูกจับว่าเราพูดพูดปลดมดเท็จได้ในโอกาสต่อไปแต่ถ้าเรายอมรับผิดแล้วใจเราก็จะสบายเรายอมรับแล้วว่าเราผิดใครจะว่าอะไรเราเราก็พร้อมที่จะให้เขาว่า ใครจะประนามเราเราก็พร้อมที่จะให้เขาประนามแต่ใจของเราจะสบายใจจะไม่วุ่นวายใจเพราะเป็นเรื่องธรรมดาที่สุภาษิตโบราณท่านพูดไว้ว่าสี่เท้ายังลูมพลาดน้ำปราชยังลู้พลั้งก็ชนอย่างท่านทําไมจะไม่มีการผิดพลาดได้บ้างแต่เราต้องเอาความผิดพลาดของเรานี้มาเป็นบทเรียนสอนตัวเราเอง คือเราต้องต้องยอมรับผิดแล้วเราจะได้จำไว้เป็นบทเรียนต่อไปเราจะได้ไม่กระทําอีกแต่ถ้าเราปกปิดความผิดของเราเมื่อเราคิดว่าคนอื่นไม่รู้คราวต่อไปเราก็จะกลับไปทําความผิดซ้ำเซ้ําๆอีกเพราะเราคิดว่าเราทําไปแล้ว เราสามารถปกปิดได้คนอื่นไม่รู้ภายในใจของเรานั้นกับสะสมความทุกข์สะสมความหุหนหรงให้มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆและจตไปจนทำให้แก้ยากเวลาที่เราเห็นเราอยากจะเป็นคนดีไม่อยากจะพูดปดแต่เราก็จะรู้สึกทำได้ยากเพราะว่าเรา เคยพูดบดมาจนติดเป็นนิสัยนั่นเองการกระทำอย่างอื่นก็เช่นเดียวกันการลักทรัพย์การช่อโกงการประพฤติผิดประเวณีการเสพสุรายยาเมาหรือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าเราปล่อยมันก็จะติดเป็นนิสัยไปแล้วมันจะแก้ยากและเราจะไม่มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าเป็นคนดีได้จะหาความร่มเย็ยนเป็นสุข ภายในจิตใจไม่ได้ดังนั้นจึงขอให้เรามีสติดูการของเราให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมค่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าไปลักทรัพย์อย่าไปประพฤติผิดประเวณีอย่าไปพูดบทมด์เทศอย่าไปเสพสุรายาเมาขอให้เราเห็นว่าศีลมีค่ายิ่งกว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ สิ่งต่างๆในโลมนี้ไม่สามารถส่งให้เราไปเกิดในคือไม่สามารถส่งให้เราไปเป็นมนุษย์ให้ไปเป็นแค่เป็นพรหมให้เป็นพระอริยะบุคคลได้มีศีลนี้เท่านั้นที่จะส่งเราไปได้ดังในท้ายศีลที่ได้แสดงนี้ว่าสีเลนะสุขติยันติศีลพาให้ไปสู่สุขติ สุคติก็คือภพของมนุษย์ของเทวดาของพงษมและของพระอริยเจ้าทั้งหลายศีลจึงมีคุณค่ายิ่งกว่าเพชรดินจินดาในโลกถ้าเราหาเพชรนินจินดามาด้วยการกระทาผิดศีลไปช่อโกงเราไปลักทรัพย์ลายไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นแล้วเราได้เพชรนินจินดามาเป็นจานวนมาก เราก็จะิดในชาตินี้แต่ใจของเรานั้นได้เสื่อมจากได้กลายเป็นเดราาัจฉานกลายเป็นเปรตกลายเป็นสัตว์แล้วก็ือถึงเวลาที่ร่างกายนี้แตกดับไปเพชรนินจินดาที่เราหามาได้ในโลกนี้ด้วยการช่อกงด้วยการลักขโมยด้วยการโกหกหลอกลวงด้วยการฆ่าก็จะไม่สามารถยับยั้ง การไปเกิดของเราในอบายได้มีแต่ศีลเท่านั้นที่ยับยั้งได้ถ้าเรารักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วอบายนี้จะไม่ัฉุดลากเราไปให้ไปได้ <c oughs> เพราะเรามีศีลเป็นเครื่องคุ้มกันเป็นเครื่องหน่วกเหนียวไว้นั่นเองศีล <c oughs> จึงมีคุณค่ายิ่งกว่าศีลต่างๆในโลกนี้ <c oughs> ขอให้ศีลนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าอะไร ทั้งสิ้นแม้แต่ชีวิตดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าสมบัติเข้าของเงินทองเพื่อรักษาอวัยวะทิสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและให้รักให้ชีวิตเพื่อรักษาคุณงามความดีคือศีลธรรมเอง <c oughs> เพราะศีลธรรมนี้จะพาให้เราไปเกิด ในภพชาติที่ดีกว่าเดิมถ้าเราไม่รักษาศีลเวลาเราตายไปแล้วเราจะได้พบชาติที่เลวกว่าที่คือเราจะไม่ได้เกิดกลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะต้องไปเกิดในอบายเช่นเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเป็นสัตว์นรกนี่คือที่ไปของผู้ที่กระทำผิดศีลผิดธรรม ดังน้นจึงขอให้เรา <c oughs> ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะการปฏิบัตินี้เป็นการเสริมสร้างสระณะที่พึ่งทางจิตใจเมื่อเรากระทำแต่ความดีเราไม่ละเว้นการกระทำบาปแล้วเราละเว้นจากการกระทำบาปแล้วจะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราได้แต่ถ้าเราไม่กปฏิบัติตาม ไม่ทำความดีไม่ละเว้นจากการกระทาบาตรจิตใจของเราจะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจอยู่ตลอดเวลาจึงขอให้เราเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่ง ส, สอนว่าเป็นวิถีทางที่จะพาเราไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุข <c oughs> ไปสู่ความเจริญตามเสด็จพระพุทธเจ้าไป พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาอย่างนี้ทรงทำความดีทรงละเว้นจากการกระทำบาปทรงกําจัดความโลภความโกรธความหลงจนหมดสิ้นไปจากจิตจากใจจึงได้กลายเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาเมื่อก่อนนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนเราเป็นปุถุชนเป็นคนที่ยังมีความโลภความโกรธความหลง เป็นคนที่ยังมีความทุกข์กับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายกับความพัดภาคจากกันแต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบละเว้นจากการทำบาปทากรรมกำจัดความโลภความโกรธความหลงจนหมดสิ้นไปจากจิตจากใจแล้วพระไทยของพระพุทธเจ้าก็มีสารณะ ปรากฏขึ้นมาอยู่ในใจเป็นที่พึ่งที่สามารถกำจัดความทุกขความวุ่นวายใจต่างๆได้จิตใจของพระพุทธเจ้านั้นไม่เดือดร้อนกับความแก่กับความเจ็บกับความตายไม่เดือดร้อนกับการพัดพรากจากกันจากสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นบุคคลเป็นวัตถุเข้าของต่างๆ จะไม่สร้างความทุกข์ให้กับพระพุทธเจ้าเลยเพราะจิตใจของพระพุทธเจ้านั้นมีเกราะคุ้มกันคือพระรัตนตรัยนี้เองพระพุทธเจ้าจึงทรงนำความรู้นี้มาสั่งสอนกับพวกเราเพราะเห็นว่าพวกเรายังต้องทุกข์ต้องวุ่นวายใจอยู่อยากจะให้พวกเราหลุดพ้นทุกข์จากความวุ่นวายใจทั้งหลายจึงได้อุตส่าห์ เสียสละเวลาตลอดเวลา45พรพันรษาด้วยการ45ปีประกาศสอนพระศาสนาให้สัตว์ลกอย่างพวกเรารู้จักวิธีสร้างที่พึ่งอันประเสริฐเพื่อเราจะได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจดังท่าน ให้ความสำคัญต่อการดำเนินตามพ ร, าำำพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าคือขอให้เราทำดีอยู่เรื่อยๆขอให้เราละเว้นจากการกระทาบาปขอให้เราลดละความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในจิตในใจให้น้อยลงไปและให้หมดสิ้นไปเพราะถ้าเราทำได้แล้วรับรองได้ ว่าจะไม่จิตใจของเราจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเศร้าโศกเสียใจไม่มีความวุ่นวายใจไม่มีความหวาดกลัวไม่มีอะไรความทุกข์อะไรทั้งสิ้นอยู่ในใจเลยคุณขอให้ท่านจงนำสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดง ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนารัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย <c oughs> จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านอยู่อย่างร่มเจนเป็นสุขแค้วแกราดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากาันเถิด